เกิดในสถานที่เช่นไหนมันเป็นไปตามความต้องการนั่นไม่ได้ถนนเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมหรือบาปแห่งกรรมที่จะพาให้เกิดให้อยู่ให้สุขให้ทุกขนะ์ท่านพูดไว้อย่างนี้เป็นความตายตัวนี่คือเป็นความจริงท่านถูกต้องตายตัวมาตั้งแต่การในไห น, ไหนลบล้างไม่ได้ใครจะมีความรู้ความฉลาดสามารถเป็นไรที่จะมาลบล้างกรรมและผลของกรรมคือสุขทุกข์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 เวลาเรามีการท่องเที่ยวอยู่ในวัดป่าสงสารแต่ถ้าสามารถชำระล้างจิตใจให้มีความสะอาดปราดาจากมนตินโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นอันว่าลบล้างนิบากแห่งกรรมทั้งหลายภายในจิตใจได้โดยชิ่นเชิงเช่นเดียวกันหากจะปรากฏบ้างที่เรียกว่าเป็นนิบากคือการให้ผลของกรรมก่อนซึ่งเคยทำมาตั้งแต่ก่อน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 ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่แน่สนิทใจที่เป็นที่ตายใจหรืออบุญยิ่งไปก ว, กว่าคุณงามความดีทั้งหลายนี่ท่นานบอช้ายาเอวเปรียบเหมือนกับเงาเทียนตูแต่เงาจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏสำหรับคุณงามความดีนี้เราจะจะเกิดเรจะฐานที่ใดๆย่อมติดแน่กับใจของเราเพราะความดีเหล่านั้นอยู่กับใจ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 และให้มีกําลังมากขึ้นเมือ่อปรากฏผลเป็นความสงบสุขแล้วคนเราก็ย่อมมีแจ่ใจเพราะทํางานเห็นผลคือความสงบพยายามทําอยู่เรื่อยยิ่งเข่าแก่แล้วเช่นนี้ก็ไมศาสตรจะไปหาทํางานอะไระนอกจากงานกิตตภรนางานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เคยเลี้ยงมาสัจนพอแล้วเลี้ยงลูกแล้วยังมาแล้วยังเลี้ยงหลานเลี้ยง hn, เหลนเลี้ยงอะไรอะไ ร, ะไรเป็นบ่อยเขาอยู่ไปตลอดเวลาฮ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 จากความสัมผัสเหล่านี้เวลานี้ยังเหลือแต่ความรู้เท่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็หายไปหมดเอาความคิดความตังกับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นไม่ได้แล้วเรายังจะพระมวนกับความคิดความตรุงในสิ่งเหล่า น, นั้นอย่างไรอีกถ้ามาใช่ว่าหลงจนเกินตัวเราควรจะลบบวกคูณหารดูตัวของเราด้วยดีที่เกี่ยวกับจริงทั้งหลายแล้วประมวลจิตใจจงมวลความรู้สึก ระวลความตั้งอกตั้งใจเจตนาของเราเข้าสู่ธรรมบำเพ็ญตนด้วยจิตตะภาวนาหรือด้วยอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงานความดีแล้วเป็นที่อาอุ่นเป็นที่เป็นอารมณ์ของใจอันร่มเย็นเป็นสุดด้วยกันทั้งนั้นแต่เพราะอย่างยิ่งคือจิตตะภาวนาเป็นอารมณ์สำคัญมากต่อจิตใจทำให้มีความสงบเย็นใจ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 เพงท่านี้ก็สบายแล้วเห็นหลักเกณนอย่างชัดเจนหลักเจนฑภายในร่างกายคิดจิตใจเรานี้คืออะไรเป็นหลักที่แท้จริงก็คือใจดวงนี้เองนะรู้แล้วรู้ชัดเจนแล้วทำอย่างไรถึงจะยิ่งกว่านี้คือทาตามธรรมนานแม้แต่เราแสวงหาสมบัติได้เท่านี้แล้วมันยังต้องอยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นแล้วอยากได้เท่านั้น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 ไปฝ่าไปฝื้นความจริงไม่ปินเกลียวกับความจริงต่างอัน ต, ต, ต, ต, ต, ต่างจริงต่างอันต่างอยู่จิตใจก็ม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่หาเรื่องเกาะคนํา้งเองนี่ท่านจะเรียกว่าอะไรนีมันถอดดองหมดถอดดองหมดมรู้นี่ทันเียกว่ารู้รู้อย่างนี้รู้เรื่องของตัวเองแล้วจิตนั้นก็พ้น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 พอพยุงตัวบางทีถูกสิ่งทั้งหลายทับตัวเองลงหกล้มก้มการาบลงไปก็มีเยอะเพราะมันาาทาบมันผิดเราต้องพยุงเราด้วยอาตม่ธรรมจนกระทั่งถึงทรงตัวได้และเป็นตัวของตัวดัเ่เต็มภูมิะคำว่าเป็นตัวของตัวอย่างเป็นภูมินี้เราก็ให้ชื่อมันได้เถยดไม่ใชเป็น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 ได้อ่านได้ทราบอ้อนี่คือวัดต่บาบรรทัสําหรับท่าเนนหรือประชาชนที่เคยอยู่ในวัดนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาสนใจเราจะต้องไปอ่านใต้วตัดป่าบรรทัดเพอะรู้อยู่แล้วน่ะู้ที่รูุนิพพานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันระ<อ>าะนี้แหละระยะที่เราว่างเป็นโอกาสที่เหมาะสําหรับบําเพ็ญตนเอง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 คิดดูดาวบททั้งสองในเวลาท่านตัดจะรู้แล้วใหม่ๆทรงพิจนารณาด้วยญาณทราบของตาบททั้งสองงั้นสิ้นไปเช้าเมาื่อวานน่อ้นาเสียานานท่านก็เลยหยุดสนพระไทยที่จะไปตั้งสอนเพราะสูกยิสมยแล้วทาวารศาสนาเพื่อสอนคนตายจริงแล้วเออเหมาะสมแล้วนี่ตายเมื่อวานนี้เราส่งกุตลอะไรเสียเดียวให้ถึงนี่ผานเลยว่ามันเด๋ แต่นี้ไม่ตายแสด็จปัญหาเบญจบาปีทั้งห้าพูดอยู่ในนิสัยที่จะได้จะถึงทำทั้งหลายและพอสะแสดงดเวเมทพิเุเวนต์บาุเจเรนเชียริยิตาบานั้นเบญจบาปีทั้งหลายก็บันลุทำอออุทานขึ้นมามีพักคนอัญญามีพระคนอัญญาปัญญาเป็นต้นยังจุกิตสมุไรธรรมังสัปปัญตังนิโรธธรรมังนี่เป็นอุทานที่ออกมาจากความรู้จริงในขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมที่พระญาปัญญาได้รู้ ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นของตายตัวนะมีความเกิดและความดับไปเป็นของตายตัวคือคู่กันอะนี้แยกกันไม่ออกมีจิตยังถึงความจริงแต่นั้นก็แสดงอนัตต า, าระคณะสูตรเป็นลำดับท่วไปอนัตตลระคณะสูต ร, รท่านแสดงว่าอะไรบ้างรูปังอนิจังเวทนานิจจะชั้นใหญ่จารังคารายจาวิญาณัิจังรูปังหน้าตาเนี่ย